เราสร้างอนาคตเราก็เริ่มต้นด้วยความคิดความคิดก็นําไปสู่การกระทํานําไปสู่การกระทําการกระทํำบ่อยๆก็เป็นอรับ เ, เป็นนิสัยเป็นนิสัยนิสัยก็เป็นกลายเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยก็คือลักษณะประจำตัวของคนอุปนิสัยที่ดีก็จะสร้างอนาคตหรือชะตาชีวิตที่ดี คนเรามันก็เริ่มแยกกันตั้งแต่ความคิดนะครับเริ่มแยกกันตั้งแต่ความคิดมันคิดคนละอยา่างก็คิดคนละอย่างก็เขพูดคนละอยา่างเขาเรียกว่าพูดกันคนละภาษานะที่เราใช้คําว่าพูดกันคนละภาษาที่จริงก็ภาษาไทยด้วยกันน่ะแต่มันพูดกันไม่รู้เรื่องเขาเลยเรียกว่าพูดกนคนละภาษาเพราะว่ามันคิดคนละอย่าง อันนี้พอพอเริ่มคิดก็นลยอย่างมันก็ทำคนละอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเคยยกตัวอย่างมาหลายครั้งแล้วก็ขอพูดอีกทีก็ได้เด็กสองคนเด็กสองคนถ้าเจอปัญปหาชีวิตอย่างเดียวกันคือว่าอยากจะหาเงินไปกินข้าวของวันมันไม่มีสตังค์แล้วเด็กคนหนึ่งก็องัดแง่รถยนต์ไปงัดแง่รถยนต์ คิว่าเป็นทางที่จะได้ง่ายแล้็ไปงัดเงี้ยแล้จนแล้วทำอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆในที่สุดก็ถูกจับถูกจับโตขึ้นมาก็ยิ่งขโมยมากขึ้นในที่สุดก็ถูกจับไปเจริญอยู่ในคุก <c oughs> แล้วก็เด็กอีกคนหนึ่ง <c oughs> ไปเชิญปัญหาเดียวกันม <c oughs> ีปัญหาเดียวกันคือว่าอยากจะหาเงินไปกินข้าว แก่ก็ไปรับจ้างเขาครับจ้างเขาเช็ดรถขัดรถล้างรถก็ทําอยู่อย่างนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาในที่สุดแกก็ได้เป็นเจ้าของปั๊มน้ามันอันนี้เป็นเรื่องที่มีจริงๆไม่ใช่เป็นแต่เพียงตัวอย่าง ล, ล, ล้มๆแรงๆแตเป็นเรื่องจริงๆที่มีจริงๆในชีวิตของคนนี่แหละ ความคิดมต่างกันพอความคิดต่างกันมันก็เริ่มทำต่างกันพอเริ่มทำต่างกันก็เริ่มสร้างนิสัยที่ต่างกันอุปนิสัยต่างกันแล้วก็อนาคตมันก็ต่างกันอนาคตก็ต่างกันเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์มันไปสร้างอนาคตของคน แล้วคนที่มีความคนที่มีความอดทนมีความเสียสละมีความอดทนมีจิตใจเด็ดเดี่ยวมีความภาคเทียนภาวนาคตก็จะดีมันก็จะดีเองออันนี้ก็เรื่องจิตตนิยามนะครับคือจิตมันเป็นตัวกําหนดให้เป็นไปทีนี้ก็ <c oughs> ที่จริงเลยห้าอย่างเนี่ยนะครับเพียง กรรมนิยามอย่างเดียวก็ก็สลับซับซ้อนอย่างเหลือล้นอยู่แล้วปรากฏการแห่งชีวิตของมนุษย์ที่แตกต่างกันมากมายเฉพาะที่สืบเนื่องมาจากกรรมก็สุดที่จะกาหนดได้ด้วยสติปัญญาสามัญแ่ในกล่าวไว้ว่า ผู้ที่ได้ที่ประจักสุยานที่สว่างและกว้างไกล เ, เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่จะาสามารถกำหนดรูกรรมนิยามของสัตว์ทางหลายได้โดยไม่ติดขัดอนอกจาก น, นั้นก็เราเป็นแต่เพียงสันนิษฐาน เ, าเราสันนิษฐานเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ น่าจะเป็นอย่างน้นแต่ว่าไม่สามารถจะรู้ได้จริงเหมือนกับท่านที่ได้ทิพประจักษุญาณที่สว่างแล้วก็กว้างไกลเป็นเคยเป <c oughs> ็นว่าเคยมีปัญหามีามีปัญหา บ, บ่อยๆเครื่องบินตกบ้างแล้วก็โปะล่ม คนตายเป็นหมู่อเรือจมอย่างนี้ก็มีคนมาถามว่าพวกนี้ได้ทำกรรมอะไรร่วมกันมาได้ทำกรรมอะไรร่วมกันมาก็ส่วนมากก็คิดว่าคนพวกนี้ได้ทำกรรมร่วมกันมาจึงมาตายด้วยกันอย่างนี้ก็ตอบได้ตอบก็ตอบได้แต่มันไม่เป็นการแก้ปัญหา ตอบให้ผ่านพ้นไปแต่ไม่เป็นการแก้ปัญหาถ้าเผื่อตอบให้เป็นการแก้ปัญหาด้วยเราก็ต้องไปสืบดูว่าผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้รับผิดชอบแค่ไหนชเช่นเจ้าของโปนี่หรือเจ้าของเรืออย่นี้ได้รับผิดชอบแค่ไหนถือว่าเห็นแก่ดได้แล้วก็ปล่อยให้บรรทุกเกินขนาดอะไรทำนองนี้นะครับมันต้องสืบเหตุปัจจุบันก่อน แล้วค่อยอเมื่อเหตุในปัจจุบันหมดแล้วจึงค่อยว่ากันไปในเรื่องของกรรมอีกทีหนึ่งที่จริงพอพูดถึงท ร, รมนิยามอย่างเดียวก็ครอบคลุมได้ทั้งหมดนะครับทำรรมนิยามคือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันมันก็พูดถึงอย่างเดียวนี้ก็คลุมได้ทั้งหมด เช่นว่าเราถามว่าทําไมจึงจึงมีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเขบอกว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นธรรมนิยามหนึ่งคือกฎธรรมดาก็ทําไมอสุนัขจึงมีลูกออกเป็นสุนัขมีลูกออกมาเป็นสุนัขไม่เกิดเป็นวัวไม่ออกมาเป็นวัวหรือวัวออกลูกมาเป็นวัวไม่ออกลูกมาเป็นสุนัขนี่ก็ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้น เราถามว่าทําไมคนเราทําดีจึงได้ตีทําชั่วจึงได้ชั่วอาตามกฎแห่งกรรมเราก็ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นธรรมดาคนทําดีก็ยอมจะได้รับสิ่งที่ดีหรือได้ผลดีคนทําชั่วก็ได้ผลชั่วได้สิ่งที่ชั่วได้สิ่งที่ไม่ดีเลขาถามว่าทําไม คนเราเวลาจิตโกรธเวลาจิตโกรธกิริยาอาการมันถึงแสดงออกมามันแสดงออกมาทางกายทางวาจาให้รู้ว่าตอนนี้คนนี้กาลังโกรธในเวลาที่เก็มีเมตตาการุณาในจิตใจใกิริยาวาจามันก็จะอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยน่ารักบอกว่าก็ธรรมดามันเป็นอย่างนั้น ธรรมดาเป็นอย่างก็รว่าทำมนิยามนี่จะคลุมได้ทั้งหมดแต่ที่จริงตัวเดียวก็พอแต่ ว, ว่าท่านแยกออกมาแยกออกมาเพื่อให้ชัดขึ้นเพราะอย่างที่เราพูดกันว่าอาบัตินี้คารจชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนก็การทหารตำรวจพลเรือนพ่อค้าประชาช น, าารชาชนพร้อมใจกัน ที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งทํานั่นทําเนี่อะไรก็แล้วแต่จะว่าไปต่อไปข้าราชการข้าราชการทหารตำรวจาพลเรืนอนพ่อค้าประชาชนแล้วก็พูดกันอย่างนี้มาเรื่อยที่จริงๆเราพูดว่าประชาชนคําเดียวมันก็คลุมได้ทั้งหมดแล้วคลุมทั้งทั้งข้าราชการทหารตำรวจ พลเรือนพอค้าประชาชนมันก็พอค้าคุมได้หมดทุกจำพวกคำว่าประชาชนเพราะว่าข้าราชการก็เป็นประชาชนทหารก็เป็นประชาชนตำรวจก็เป็นประชาชนอย่างนี้นะค่ะแต่ว่าที่แยกออกมาเพื่อให้ดูหน้าที่เ พ, เพื่อให้เห็นหน้าที่ว่าคนพวกนี้ พวกนี้ทำหน้าที่อะไรว่าประชาชนกลุ่มนี้ทำหน้าที่อะไรเราหมือนก็ว่าธรรมดากลุ่มนี้คืออย่างไรทำนองนี้นะครับอ่า น, นี่ก็ผมก็ขอผ่านไปนะครับนี่ก็ย้ำหรือว่าเพิ่มเติมที่พูดไปเมื่อคืนนี้ <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงอตอนที่สี่เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตนะครับ ตอนที่สี่นี่ผมจะพูดถึงชีวิตพูดถึงสมบัติสมบัติและวิปัสสมบัติและวิปัสสมบัติสีประการของชีวิตว่ชีวิตจะดำเนินไปได้ด้วยดีเมื่อถึงพร้อมหรือว่าได้สมบัติสีประการ ประการที่หนึ่งเรียกว่าคติสมบัติคติสมบัติความมีกำเนิดดีไม่เป็นอภพัพว์ไม่เป็นอภัพพบุคคล เ, เช่นว่าเช่นว่าสเดชาญเปรตอสุรกายหรือพวกนรกอันนี้เรียกว่าอภัพพระบุคคลว่าบุคคลที่ไม่สมควรที่จะได้บรรลุคุณธรรม ว่าพัฒนายากการได้จำเนิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเป็นคติสมบัติคือว่าได้คติที่ดีท่านเรียกว่าสุคติส่วนพวกฮานรกเปรตอสุรกายและดิรัจฉานเรียกว่าทุขติภูมิทุขติภูมิอ <c oughs> ่า ในถ้าไปเกิดเป็นงูไป ส, สั ก, ากชาติหนึ่งมัก น, ก, ก, น, นก็หมดเรื่องไปชาติหนึ่งพัฒนาไม่ได้ไปเกิดเป็นจริ้งจกตุกแกเดียก็หมดเรื่องไปชาติหนึ่งพัฒนาไม่ได้แต่ว่าคติวิปัสสนได้คติวิปัตส ไ, ได้กําเนิดไม่ดีอันนี้ก็ในพวกมนุษย์ด้วยกันแต่มันจะก็มีก็มีหลายประเภทหลายจําพวกหรือพวกที่ได้กําเนิดดี มี่ความสุขสบายมาตั้งแต่กเกิดแล้วก็มีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีตลอดไปนะครับเพราะว่าถ้าเขาเกิดในตระกูลที่มั่งมีสิสุขอาจจะว่าแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าที่ลูกศิษย์คนหนึ่งก็บอกว่าสมองกลวงสมองกลวงหรือว่าเกิดมาในตระกูลที่ดีมีเงินมีทอง มีทรัพย์สินสมบัติแต่จ่ายมากมายจ่ายจ่ายเงินวันอาทิตย์ละ 20, 20, มืน่นสองมื่นทางที่ยังหาเงินเองไม่ได้พวกนี้สมองกลวงเกิดคิดอะไรไม่เป็นคิดแต่จะจ่ายเงินอย่างเดียวจะไม่ได้นึกถึงคนที่เขาเกิดม า, อ, าอยู่ในสภาพที่เรียกว่าได้เงินปีละมื่น หาเงินได้ปีละหมื่นแล้วตัวเองอาจ่ายเพื่ออาทิตย์ละหมื่นอย่างนี้มันมันใช่ไม่ได้มันคิดไม่เป็นอวันที่ไปไปเจือนข้าวเขาบอกว่ามันมันมันช่วยไม่ได้เขาเกิดมารวยเขาเกิดมารวยทีนี้มันต้องถามต่อไปว่าอเขารวยได้อย่างไร เขารวยขนาดนั้นได้อย่างไรเขาใช้เงินได้ออกับจามืดได้อย่างไรพ่อแม่เขาทำมาหากินอะไรนี่ก็ต้องถามต่อไปสืบกันต่อไปถ้า <c oughs> ไ ม, ไม่ไม่คิดจะทําประโยชน์มีเงินมีทองแล้วไม่คิดจะทําประโยชน์จะเผาชนแก่มาหาชนอะไรบ้างหรืออคิดจะจับตนเบอตนเอง อ่าอย่างนี้ได้กําเนิดดีแต่มันความคิดนั้นไม่ดีวันที่บางคนก็เป็นเมตตาทิฏฐิพ้นไปเลยแล้วสู้คนที่ได้กําเนิดไม่ดีตกกระกรรมลําบากมาตั้งแต่เด็ก เ, เสร็จแล้วก็ความคิดเขาดีพอเติบโตขึ้นมาก็ทําประโยชน์ได้เยอะได้ประโยชน์ทําประโยชน์ได้ไพศาล ความทุกข์มันทำให้เขารู้จักคิดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ทำให้เป็นคนคิดเป็นความทุกข์ทำให้เขารู้จักคิดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยความทุกข์ทำให้คนคิดความคิดทำให้คนฉลาดความฉลาดทำให้คนทำถูกการทำถูกทำให้คนมีความสุข ยตรงความสุขเนี่ยครับมันเป็นสองสองแพร่ง น, นะพอได้ความสุขแล้วถ้าเพลิดเพลินหลงไหลในความสุขมันก็จะเวียนไปหาความทุกข์อีกจะเวียนไปหาการทำผิดพอทำผิดแล้วก็เป็นทุกข์ได้รับความทุกข์ทุกข์ทำให้คิดแต่ถ้าเขาได้รับความสุขแล้วเขาอาใส่ความสุขนั้นเป็นพื้นฐาน แล้วก็ทำความดีต่อไปเรียกว่าอาศัยความสุขทำความดีทำประโยชน์เพื่อจะได้รับความสุขต่อไปในภายหน้าอย่างนี้ก็เรียกว่าดีจิตเป็นจิตเป็นคราวนี้มาถึงข้อที่สองนะครับข้อที่สองเรียกว่าอุปทิสมบัติปฏิสมบัติก็มีร่างกายตี ร่างกายดีไม่พิ ก, การทางร่างกายมีอวัยวะสมบูรณ์เรามีสุขภาพดี <c oughs> มีอ ว, วัยวะสมบูรณ์ครับไมอ่อย่าพูดว่าเกิดมาครบอาการสามสิบสองนะครับเพราะว่าอาการสามสิบสองนี่ใครๆก็ครบทั้งนั้นเน่ยจะเกิดมาพิคนพิ ก, การตาบอดหูนหนวกแขนขาดอะไรก็อาการครบสามสิบสองทั้งนั้น แต่ว่าเราพูดกันผิดเราเข้าใจกันผิดพูดกันผิดใหาต้องการจะพูดว่าขอให้มีอวัยวะสมบูรณ์แต่ว่าไปไปไดมาจากไหนหรือจามาจากไหนก็ไม่รู้ขอให้มีอาการครบสามสิบสองเพราะว่าไม่รู้ว่าอาการสามสิบสองคืออะไรก็เลยพูดไปอย่างนั้นแขอให้ทราบว่าทุกคนเกิดมา ครบอาการสามสิบสองทั้งนั้นธาตุา ด, ดินกับธาตุน้ำเท่านั้นเองสามสิบสองยังมีธาตุลมธาตุไฟที่ยิงมิงเกิน <c oughs> ทุกคนก็มีเกินสามสิบสองไปซ้าไปทีนี้โยบะทิสมบัติมีร่างกายดีไม่พิกนพิการทางร่างกายมีอวัยวะสมบูรณ์หรือว่ามีสุขภาพดี <c oughs> อันนี้ก็อีกนะครับมันก็มีทั้งคุณและโทษอยู่แล้วแต่จะใช้มันอย่างไรคนที่มีร่างกายดีมีรูปร่างสวยงามบางคนก็เป็นโทษแกตัวเองบางคนก็หลงไหลในร่างกายของตัวเองเวันวันหนึ่งก็ไม่เป็นอันทําอะไรอยู่หน้ากระจกหันซ้ายหันขวาแต่งผมแต่งหน้าแต่งตาแต่งคิ้วแต่งปาก หลงไหลหลงไหลในร่างกายของตัวเองไม่เป็นอันทำอะไรเรียนก็เรียนไม่เก่งบางทีก็มั่นใจว่าเรามีรูปเป็นทรัพย์อยู่แล้วเรียนก็ไม่ค่อยเรียนทำงานก็ไม่ค่อยทำ <c oughs> นี่ก็เป็นโทษมีอุปธิสมบัติแล้วก็ใช้ไม่เป็น โทษแก่ตัวเองแต่บางคนเขาก็ใช้เป็นจะได้ร่างกายสวยงามมีร่างกายดีไม่พิคนพิการก็อาศัยร่างกายทำประโยชน์หาความรู้หาวิชาความรู้ช่วยเหลือผู้อื่นทำอะไรต่ออะไรที่มันเป็นประโยชน์อันนี้เรียกว่าอุปทิสมบัติได้อุปทิสมบัติถ้าเพื่อว่า บางคนเกิดมาได้อุปฏทิวิบัติโือร่างกายมันวิการพิดกลนผิการเดี๋ยวข้างหน้าผมอาจจะพูดถึงอีกนะครับเพราะว่ามีมีอันมีอยู่แต่วพอเยาว่าไม่สมบูรณ์หรือสุขภาพไม่ดีอมันก็ถือว่าเป็นอุปทิวิบัติแต่บางคนเขาก็เก่งเขาก็ถือเอาความวิบัติอันนั้นเนี่ยมาเป็นประโยชน์ ดังนักนักราสตร์บางท่านหรือนักวิทยาศาสตร์บางคนท่านบอกว่าถ้าเผื่อท่านไม่เป็นโรคเรือรงังอยู่เป็นประจาแล้วท่านก็คงจะไม่สามารถคงจะไม่สามารถทำงานยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ตัวอย่างเช่นชาญดาวินชาญดาวินนักวิวายาิท ย, ยาผู้ยิ่งใหญ่นักวิววาิทยาผู้ยิ่งใหญ่ แล้วท่านก็บอกไว้ยังไงว่าถ้ า, าเผื่อท่านไม่ไม่เป็นโรคเรือรังบางอย่างแล้วท่านก็คงเสือไม่สามารถจะทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้อันนี้เรียกว่าท่านใช้ประโยชน์เป็นใช้เป็นใช้เป็นแ่คนที่มีรถ ไม่ค่อยดีอะครับรถรถยนต์เนี่ยในรถไม่ค่อยดี่ะ เ, เครื่องเคราไม่ค่อยดีตัวทังก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาก็สามารถอาศัยมันทําประโยชน์ได้เท่าที่มันจะใช้ได้จุใ น, นบางคนรถสวยราคาแพงมันก็ขับไปเที่ยวเล่นเสียบางทีก็ขับไปปล้นเขาด้วยจะได้ประโยชน์อะไรแต่บางทีว่าบางพวกก็เอารถไปแข่งกัน ขับรถแข่งแข่งกันบางทีก็ขาหักแขนหัก ว, วะวะพิกลพิการเพราะความขนองเอารถไปแข่งแล้วก็รบกวนชาวบ้านด้วยแล้ที่เขาแข่งรถกันระหว่างชาติหรือแข่งรถอะไรกันใ ห, ใหญ่ๆโตๆนั้นน่ะมันทำลายทรัพยากรของมนุษย์ไม่รู้เท่าไหร่ <c oughs> แต่แทนที่จะเอามาบำบัดทุกความรุญสุข ของคนนี้กำลังเดือดร้อนอยู่แล้เราทรัพยากรเหล่านั้นไปแปรานจะหมดน้ํามันถูกพลรานไปเท่าไหร่ในการแข่งรถครั้งใหญ่ใแต่ละทีพวกนี้คิดหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดเอาคิดแต่ความสนุกของตัวคิดแต่อยากจะได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศอะไรพวกนั้นแต่พวกนี้ก็มักจะมีร่างกายแข็งแรง ร่างกายแข็งแรงแก็เอาร่างกายไปใช้ทางอย่างนั้นนะทางอย่างนั้นะบางทีก็ไปเป็นมวยปลำ้ำร่างกายแข็งแรงไปเล่นมวยปลำ้ำหรือว่านั่นก็ไปจกมวยไปเป็นนักมวยไปทำร้ายคนอื่นตะบันหน้าคนอื่นชนะมาก็โอ้ยไดรางวัลเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> คนนั้นก็ให้คนนี้ก็ให้พ น, นันก็ให้ บางทีครูไปชาบานทำงานด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่งเพื่อพ ล, ลเมืองของชาติบางทีเราต้องจ่ายเงินเดือนของตัวเองโดยําไปเอาเงินเดือนของตัวเอง <c oughs> มาซื้อขนม <c oughs> <c oughs> เออมาซื้อขนมมาซื้ออาหารกลางวันให้ดิกล้มีใครเหลียวดูบ้างมีใครให้รางวัลบ้าง บางทีก็ได้เหมือนกันมีคนเห็นนานๆมีคนไปเห็นจริงก็ให้รางวัลหมื0นสองหมืได้รางวัลหมื่นสองหมื่หมือนเดียวนที่นีออ้นักมวย <c oughs> นักมวยได้รางวัลกี่ล้านลองนึกดูล <c oughs> องนกดูนักมวยได้รางวัลกี่ล้าน บางทีว่านักฟุตบอลก็ได้รางวัลกีลาในคาตัวของนักฟุตบอลระดับโลกเท่าไหร่อันนี้กับก็ก็พูดไปเพื่อให้คิดกันบ้างเท่านั้นเองว่าอะไรมันเป็นคุณค่าแท้ของมนุษย์อะไรเป็นคุณค่าเทียมอะไรเป็นคุณค่าจับฉวยอะไรเป็นคุณค่าที่แท้จริงของของสังคมมนุษย์ ระฉะนั้นแล้วมนุษย์เราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเพอไปแข่งกันในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระมันไม่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์แต่มันเป็นประโยชน์กับคนบางคนที่มีรายได้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าอคนที่ติดดินอยู่ คนที่อยู่กับรักญากา็พวกรักญานี่ก็ค่อยลำบากลงไปลำบากลงไป <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วสังคมและแผ่นดินก็อยู่ได้กับคนพวกนี้เพราะพวกนี้มันต้องทำงานหนัก <c oughs> ต้องทำงานหนักทำงานให้กับสังคมตัวได้รับผลไม่เท่าไหร่แต่ว่าผลมันตกอยู่แก่สังคม สังคมก็มองไม่ค่อยเห็นมันน้ำพับมันรากไม้ <c oughs> ไมรากไม้ใครเห็นใครนึกถึงมันบ้างเวลาเห็นต้นไม้ลําต้นสวยใบเขียวชะอุ่มลูกดกเขาก็ไปนิยมชม ช, มชอบกันแต่ใบแต่ลูกอแต่ดอกของมันว่ารากไม้นี่มีใครนึกถึงมันบ้างว่ามันได้ทําหน้าที่อย่างไร จะทำให้ลาต้นแข็งแรงอย่างไรทำให้กิ่งใบยังอยู่อย่างไรว่าเราคิดกันตื้นเกินไปะไม่ได้คิดอะไรลึกเลยแต่ว่ากว้างออกไปอันนี้ผมพูดถึงอุปัิสมบัติกับอุปัิวิบัตินะครับอันนี้ก็มาถึงประการที่สามกาลสมบัติ การสสมบัติเกิดในการที่โลกหรือสังคมเจริญด้วยคุณธ <c oughs> <c oughs> รรมหรือว่าทำความดีถูกกา ร, รเกิดในสมัยที่โลกหรือสังคมจเจริญด้วยคุณธรรมเราเห็นคุณค่าของคุณธรรมหรือว่าเขาทำความดีถูกการ นี่ถ้าเผื่อเขาเกิดในการที่โลกมันเจริญด้วยสิ่งที่ไม่ใช่คุณธรรมมันไม่ได้จเจริญด้วยคุณธรรมไม่ได้เห็นค่าของคุณธรรมแต่คนที่คุณคนที่มีคุณธรรมก็ถูกเมินถกเมินคนที่ไม่มีคุณธรรมแต่ว่ามีอย่างอื่น อย่างอื่นเช่ว่ารวยมากมีชื่อเสียงมากมีอะไรมากแต่ว่าไม่มีคุณธรรมคนก็ไปนิยมห้อมล้อมไปให้เกียรติให้ความนิยมนับถือ <c oughs> อะไรอย่างนี้แล้วว่าเขาเกิดในการในการที่มันเป็นการลาวิบัติในการลาวิบัตในนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เราทําทกันได้ ไม่ใช่ต่อยประละเลยว่าเราเกิดมาในการวิบัติ่งแล้วจริงมันมนุษย์นั่นแหละทำให้เป็นกาลวิบัติถ้าเผื่อมนุษย์คิดเป็นแล้วมนุษย์ก็ทำการนั้นให้เป็นกาลสมบัติว่ายกย่องคนดียกย่องคนดีให้เกียรติแต่คนดีให้การสนับสนุนคนดีคนที่ทำประโยชน์ คนที่มีคุณค่าจะสังคมก็มันก็จเจริญก็จเจริญได้สังคมจเจริญด้วยคุณธรรมได้จะเป็นกำลังใจแต่คนที่ทำความดีม เ, เวลานี้โลกเราก็ดุริศไปยเยอะเหมือนกันท่านทั้งหลายที่อยู่ใน โลกของเราในสังคมของเราอยู่ในสังคมเดียวกับผู้พูดก็พอจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพูดอะไรมากเราเราเป็นอย่างไรทีนี้ก็ประการที่สี่นะครับประโยคนสมบัติมีความเพียรพยายามดีมีจิตใจมั่นคงดักปันไม่ทอดถอนไม่เป็นคนเกียจคร้าน จะมีความพยายามไปในทางที่ถูกที่ชอบอยู่เสมอแต่ถ้าเป็นประโยคนาวิบัติก็คือว่ามีความเพียงอ่อนมีความเพียนน้อยมีความพยายามน้อยอมีจิตใจไม่มั่นคงทอดถอยง่ายและก็เป็นคนเกียจคร้าน ไม่พยายามไปในทางที่ถูกที่ชอบพอถึงข่าวพยายามก็ไม่พยายามไปในทางที่ถูกที่ชอบเราพยายามไปในทางเสื่อมพยายามไปในทางเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างอันนี้ก็เป็นประโยชน์คารวีไอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างอื่นบางที่เราควบคุมไม่ได้แต่อย่างนี้เราควบคุมได้อยู่ในความควบคุมของเราแต่ละคน ผมก็ขอให้ท่านผู้ฟังสังเกตนะครับว่าบางคนได้ดีเพราะกำเนิดดีแต่บางคนได้ดีเพราะร่างกายดีบางคนเพราะโอกาสดีแล้วก็บางคนเพราะมีความเพียรดีบางคนก็ เ, เพราะประกอบกันหมดทุกอย่าง บางคนขาดบ้างได้บ้างส่วนมากอยู่ในประเภทหลังนี้นะครับถื่ว่าอย่างอื่นเราเลือกได้ยากเพราะว่าได้มาจะแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีสิทธิ์มีโอกาสเท่ากันทุกๆคนนั่นก็คือความเพียรพยายามคือประโยคาสมบัติ ถ้าเป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะขาดสมบัติอย่างอื่นไปบ้างแต่ถ้ามีความเพียรแรงกล้าแล้วจะช่วยให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ต้องการไม่น้อยก <c oughs> ำลังใจครับกาลังใจความตั้งใจความตั้งใจจริง นี่ผมขออธิบายเพิ่มเติมาตามแนวของพระอาจารย์ในเรื่องอสมบัติวิบัติต่อไปนะครับว่าบางคน <c oughs> บางคนก็ทำความชั่วไว้มากแต่อาศัยกรรมดีบางอย่างไปเกิดในกำเนิดดี เช่นไปเกิดเป็นเทวด า, เ, าเขาก็ได้เสวยความสุขอย่างเทวดากรรมชั่วยังไม่มีโอกาสให้ผลอันนี้เรียกว่าคติสมบัติป้องกันไว้คติสมบัติป้องกันไว้นะครับเขาทำความชั่วไว้มากก็จริงแต่อาศัยกรรมดีบางอย่างทาให้เขา ได้กําเนิดดีเช่นไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาก็เสวยความสุขอย่างเทวดาเพราะกรรมชั่วไม่มีโอกาสให้ผลอันนี้เรียกว่าคติสมบัติป้องกันไปนี่ <c oughs> บางคนทํากรรมชั่วไว้มาก อาศัยกรรมชั่วนั้นถือปฏิสนธิในกาเนิดไม่ดีในแตะกุลต่ำแต่อาศัยกรรมดีบางอย่างทำให้เขามีรูปร่างสวยงามแข็งแรงมีพลานาไม่ดีเป็นที่พอใจของผู้พบเห็นถ้าเป็นหญิงธาตุนายก็พอใจในรูปร่าง นำไปเป็นปัญญาถ้าเป็นหญิงยากจนคนร่ำรวยพราะเพข้าวนำไปเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมบางเป็นปัญญาบางคนจากความลาบากยากจนไปท่านจะสังเกตนะครับพวกนางงามพวกนางสาวไทย นางงามจักรวาลนางงามอะไรต่ออะไรเนี่ยครับที่มีฐานะยากจนมาก่อนก็คงจะอยู่ในข้อนี้คือว่าเขาอาศัยปุตติสมบัติก้าวขึ้นก้าวขึ้นไปสู่ฐานะที่ดีขึ้น ที่นี้ถ้าเขาเกิดเป็นชายมีรูปร่างหน้าตาดีถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากหญิงผู้มั่งคั่งนำไปเป็นสามีบ้างเป็นบุตรบุญธรรมบ้างก็มีชีวิตสุขสบายไปได้พอสมควรนี่ก็เป็นด้วยอำนาจของอุปธิสมบัตินะครับอุปธิสมบัติ เวล่อนี้เขาก็มีประกวดช้ยงามกันมีอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับทำนองนี้นะครับท่านในกเก่าเอง <c oughs> บางคนทำกรรมชั่วไว้มากแต่เขาเกิดในสมัยที่ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติมากมีมนุษย์อยู่น้อย เขาจึงไม่ลำบากด้วยความเป็นอยู่อันนี้เรียกว่าการสสมบัติป้องกันไว้กรรมชั่วจึงยังไม่ให้ผลในอัตถิาท่านยกตัวอย่างมนุษย์ในต้นกลับมนุษย์ต้นกลับนี่สบายครับเหาะไปก็ได้มีแสงสว่างในตัวเองและก็ อาหารการกินไม่ลําบากมีเหลวเฟือ่องมีเหลวเฟือ่องมนุษย์น้อยมีคนอยู่น้อยของมากแต่เวลานี้มันกลับตรงกันข้ามคือคนเยอะแล้วก็ของไม่ค่อยมากนะแต่ก็อีกนะครับคนมีสตังกรอมซื้อได้เยอะเหมือนกันคือว่าของก็พอมีให้ซื้อแล้วคนมีสตังกรับซื้อได้ ว่าคนที่ไม่มีสตังไม่มีกำลังซื้อก็อดค่อนข้างจะลบาบากต่อมานะครับบางคนทำกรรมชั่วไว้มากแต่เขามีความเพียรพยายามดีในการทำมาหากินรู้จัก้าวาผู้หลักผู้ใหญ่ รู้จักถอยในการที่ควรถอยมีความเพียรถูกกาละเทศะถูกเหตุการณ์รู้ว่าเหตุการณ์อย่างไรควรทำอย่างไรเขาจึงมีชีวิตอยู่เป็นสุขได้อันนี้ประโยคสมบัติป้องกันไว้ประโยคสมบัติคือความเพียรนะครับข้อนี้ก็อาจจะช่วยมา คลี่คลายความสงสัยของคนเป็นจำนวนมากได้นะครับที่ว่าทำไมคนบางคนทำความชั่วไะเยอะแต่ทำไมจึงมีชีวิตที่มีความสุขสบายได้ก็ด้วยเหตุผลอันเนี่ยครับคือว่าเขามีความเพียดมีความเพียรพยายามในการทำมาหากินว่าอา น, นิสงส์ของความเพียรมันมี เขาก็ยังรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักถอยในการที่ควรถอยก็มีความเพียรถูกกาละเทศะถูกเหตุการณ์รู้เหตุการณ์อย่างไรควรทำอย่างไรเขาจึงมีชีวิตเป็นสุขอยู่ได้อันนี้ท่านต้องอดูให้ดีนะครับใส่องให้ดี เพราะว่าชีวิตของคนมีเงื่อนไขมากมีความสลับซับซ้อนมาก <c oughs> เรื่องของกรรมนี่มันโอเวอร์แล็นะครับเรื่องของกรรมมันโอเวอร์แล็อยู่ตลอดเวลาคืรว่าสลับซับซ้อน <c oughs> อยากที่คนซึ่งมีปัญญาน้อยหรือปัญญาหยาบจะเข้าใจได้มันเป็นเรื่องละเอียดสุขุม ก็เรียกว่าต้องรู้ด้วยปัญญาที่สุคุมต่อไปนะครับ <c oughs> บางคนทำกรรมชั่วไว้ไปเกิดในทุ ก, กติคือนรกบางเปรตบางอสุรกายบางสัตว์เดรัจฉานบางกรรมชั่วได้โอกาสให้ผลเต็มที่ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในก็เกิดในสภาพที่ยากจนขัดสนตกตำ่ำเป็นการเปิดโอกาสให้กรรมชั่วให้ผลได้มากเหมือนกันอันนี้เรียกว่าอาศัยคติวิบัติให้ผลได <c oughs> ทํากรรมชั่วไว้มากแล้วก็ไปเกิดในทุกขติคติวิบัติไปแล้ว กําชั่วได้โอกาสให้ผลเต็มที่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่อยู่ในสภาพที่ลาบากตั้งแต่เกิดมาทีเดียวมันเป็นการเปิดโอกาสให้กําชั่วให้ผลไปมาก <c oughs> ต่อมานะครับบางคนทํารําชั่วไป ไปเกิดในภพใหม่มีอวัยวะพิกลพิการร่างกายไม่สมประกอบอ่อนแอขี้โรคในอัตถิาท่านเล่าไว้ทำนองว่าผู้ใดเกิดในท้องหญิงทาสีหรือจริงกรรมกรผิวพรรณไม่งาม ร่างกายไม่สวยชวนให้สงสัยว่าเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์หรือเป็นปีศาจถ้าเป็นชายเขาก็ให้ไปเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าเลี้ยงโคให้หาย่าหาฟืนให้เทกระทนให้เทอยักเชื่อ ถ้าเป็นหญิงเขาก็ให้ไปต้มข้าวต้มต้มถั่วให้ช้างให้มากินหรือว่าให้เทขยะเป็นต้นบาปกรรมของผู้นั้นชื่อว่าอาศัยอุปเิวิปัตให้ผล <c oughs> อุปธิวิปัตให้ผลต่อมานะครับ บางคนทำกรําชั่วไว้มากไปเกิดในเวลาเข้ายากหมากแพงสังคมแรงแค้นโดยขับปลาอาหารหรือในเวลาที่ตะกูลเสื่อมสิ้นสมบัติในอันตรกับ น, นี้อัตกถาอันตรกับเพื่อช่วงต่อระหว่างกับหนึ่งกับอีกกับหนึ่งเช่นว่าระหว่างกับเสื่อม ถึงที่สุดมนุษย์เป็นอยู่ด้วยความลําบากแรนเขน้นบาปกรรมของผู้นั้นอาศัยกาลวิปัสให้ผลบางคนทำกรรมชั่วไว้มากเมื่อไปเกิดในภพใหม่เป็นคนมีความเพียรอยน มีชีวิตตกต่ำลำบากกรรมชั่วของเขาอาศัยโยประโยกข้าวพิ่ไปให้ผลบางคนทำความดีไวแต่อาศัยกรรมชั่วบางอย่างไปถือปฏิสนธิในกาเนิดต่ำเช่นในยบายภูมสี่หรือในกาเนิดมนุษย์ที่ตกต่ำลำบาก กรรมของเขาถูกคตีวิบัตฯห้ามไว้จึงอย่างไม่ให้ผลท่านผู้ฟังฟังไปแล้วจับสนเหมยอับไม่เป็นไรครับค่อยๆกาหนดไปท่านที่มีเทพอัดเทพเอาไว้ก็ค่อยๆฟังทำฟังํำหลายๆครั้งบางคนทำรมดีไว้ไปเกิดในภพใหม่ แม้จะเกิดในตระกูลดีเช่นตระกูลกษัตริย์ตระกูลเศรษฐีพอจะสืบรัชสมบัติเห็นตนได้แต่อาศัยอุปธิวิปัติคือมีร่างกายไม่สมประกอบ ท, ที่กนพิการจึงไม่ได้รับเลือกให้สืบจะักรุณหรือให้สืบรัชสมบัติ กรรมดีของเขาถูกอุบฏที่วิปัตฯทำไว้จึงยังไม่ให้ผลบางคนทาความดีไว้แต่ไปเกิดในยุคสมัยที่ข้าวยากตากแพงความดีของเขาถูกกาลวิปัติทำไว้จึงยังไม่ให้ผล